คุณมุทนาสัุการใท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายพะสูตร์ในวันนี้จะพูดเรื่องมหาประตุมัชชาดกเป็นการกล่าวถึงเรื่องผลของความดีความชั่วที่คนทำแล้วก็มีผนประจักษ์ในชาตินั้ น, น, น นีข้อ ค, ความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมเทศนามาโดยลําดับนั้นเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็คือคนที่เคยนับถือศาสนาอื่นมาก่อนเมื่อจํานวนศาสนิกเขาเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น ถ้าไม่ลาบส ก, การะชื่อเสียงบริษัทปริวาลเขาก็ลดน้อยลงไปท่านกล่าวโดยสรุปนัก บ, บทกลุ่มนี้ว่าอัญญะเดรธีแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอัญยาเดรธีก็จะหมายถึงพวกนิครนนะพวกกลุ่มของท่านมหาวีระคือท่านนิครนนาถบุตรแต่คำนี้เป็นคำหมายรวม หมายถึงนักบวชนอกาศาสนาทั้งหลายที่ประสบความเสื่อมความเสื่อมลาบเพราะว่าคนนับถือน้อยลงไอ้ลาบสักการะก็น้อยลงตามไปทแทนที่จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูความบกพร่องของตัวเองว่าทำไมคนจึงนับถือน้อยไปลาบสักการะจึงเสื่อมไปบริษาทบริวยยารจึงน้อยไป ก็ไปมองแบบแบบกิเลส ท, ทั้งหลายนะฮะหมาวามว่าหรือลักษณะของคนทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าขาดพื้นฐานทคุณธรรมเวลาตัวเองมีปัญหานั้นจะไปมองหาสาเหตุจากข้าง น, นอกโทษคนนั้นคนนี้คนโน้นสังคมโจคชะตาอะไรอะไรการเมืองอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะคือหมายความมันจะโยนลูกออกนอกนั้นเป็นธรรมชาติ เพราะกลุ่มอัญญาเดตะทีเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองเห็นว่าอการที่ลาบสการะชื่อเสียงความรกรถนับถือต่างๆของตัวเองเสื่อมไปเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกในการจะทำให้ลาบสการะเกิดขึ้น แทนที่ท่านจะปรับเปลี่ยนมาทําไมคนซึ่งเคยนับถือตัวท่านแล้วก็ไปนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้มองจุดนี้เป็นการมองแล้วก็สร้างปัญหานะฮะแต่ย่อจุดจุดนี้คือมุมมองตรงนี้มันเป็นมุมค่อนข้างสากลแล้วก็มีอย่างเงี้ยแล้ในที่สุดมันแทนที่จะแก้ปัญหาก็สร้างปัญหาเรื่อยไปเพราะเาคิดว่า วิธีที่จะทำมันก็ทําอยู่ได้สองวิธีก็ใช้วิธีแรกก่อนนะฮะวิธีแรกก็ไปข อ, ขอร้องอ้อนวอนเขาให้มาให้ความเคารพนับถือให้ลาศักดิกรีแก่ตัวเองต่อไปไอ้คนนในใจมันเปลี่ยนแล้วอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนหมดมันใจก็เปลี่ยนเนเรื่องราสักดิกรีชื่อเสียงความเคารพนับถือถ้ามันเกิดมาจากศรัทธามันก็ไม่ศรัทธาอย่างอื่นมันก็ไม่หมา ในสุดท่านก็ไปคิดวิธีใหม่ก็คือการทําลายพระพุทธเจ้าเสียเล้วก็เมือนกับผู้คู่แข่งทางการเมืองคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางการเรียนคู่แข่ ง, ง, ข ง, ง, ข ง, งอะไรเราเห็นว่ามันก็มีวิธีหนึ่งอ่ะนะฮะวิธีหนึ่งก็คือทําลายฝ่ายตรงฝ่ายที่เราคิดว่าเป็นคู่แข่งเสียเพื่อเราจะได้ ยืนหยัดอยู่ต่อไปกลุ่มนุณาติทิพนทั้งหลายมันก็มันก็เป็นเป็นกระแสะโลกที่มันมีตัวอย่างให้เราเห็นเรื่ตลอดในสุดก็มันคิดว่าจะทำยังไงมันคิดแผนเนี่ยแผนปัจจุบันที่เราเรียกว่านารีพิฆาตเนี่ยคือไปให้นางกินจามนาวิกา ซึงว่ากันว่าสวยงามมากก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะปริพาสิกาเนะี่ยจริงๆเป็นนักบวชมันจะสวยยังไงก็ไม่รู้เขบอมีผิวพรรณผ่องใสมีรัศมีออกจากกายการมรัศมีออกจากกายนะี่มีเจอบ่อยมันสวยยังไงก็ไม่รว้รัศมีออกจากกายเข้าใจว่าน่าจะใช้เครื่องประดับวเวาวมากกว่าแต่ก็เป็นนักบวชนี่ะนะฮะเป็นนักบวชคงเยอะขนาดหน้าตาผ่องใสสวยงามหน้าตาผ่องใสขนาธรรมดา ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างขัดแย้งอย่างที่เคยบอกนะครับว่าคนเราในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยมันมันรวมกันสามอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้นะมันไม่ค่อยมีมันไม่ใช่ไม่ได้เลยคือปัญญาความงามความดีไม่อยู่ในคนคนเดียวคือเรามองจาจุดนี้ว่านางยินจ่ามโนริกาที่จริงเป็นผู้หญิงที่สวยงามแล้วความโน้มเอียงก็ค่อนข้างดีนะฮะคือคือว่าท่านบวชอะ่ะท่านบวชเป็นปริภาชิกา นักบวชประเภทนี้ที่จริงก็ไม่ค่อยแรงนะฮะมันกลุ่มแบบเดียวกลุ่มภาษาลิบุตรนะฮะพวกปริพาจิกานไม่ใช่พูกมิจฉาทิฏฐิแรงอะไรแล้วก็ถ้าจะบวชในพระพุทธศาสนามันก็ไม่ต้องถึงก็รทรมานตัวอยู่ติถิยะปริวาตทั้งสี่เดือนอะไ ร, รพวกปริพาจิกาปริพาชกเนี่ยนะก็แต่งชุดขาวขาวอมขาวแต่งชุดขาว ถูกพวกอัญญาเดียถีอย่างที่บอกว่าอัญญาเดียถีคำนี้มันเป็นคํารวมไปแล้วเพราะได้ยินท่านเป็นปริภากิกาก็ไม่น่าจะมารับใช้พวกพวกนับกบวดพวกกลุ่มนี้ก็ได้วางแผนให้หนางไปทําลายเกติภูมิพระพุทธเจ้านะคอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการวิธีการใช้การประชาสัมพันธ์นะดยการประชาสัมพันธ์มา จะทำลายหรือจะส่งเสริมก็ไม่รู้ในจะใช้วิธีการมาจะทำพันคือค่อยๆกัดรยยกร่อนค่อยๆโยกครอในลักษณะน้ําหยดลงกินคือไม่ใช่วันนิ่งๆทาโครมครามออกไปมันมันมันไม่ใช่วิธีการที่ดีนะฮะมันต้องต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ะด้างรับคําแล้วไอ้นี้ก็ก็อย่างที่บอกนะฮะว่ารูปร่างท่านดีนะฮะแล้วความโน้มเอียงก็ค่อนข้างดีคือปวดเป็นนักปวด แล้วทำไมมันมั น, ม, นมันไปทิฐิมันไปตรงกับพวกนี้คือไปมุ่งร้ายที่พระพุทธเจ้าแต่เรามองเรื่องอดีตกรรมก็แคล้ๆเป็นคู้เวรกันแต่มองปัจจุบันเนี่ยก็คือการเข้าผ่าสมาก ข, ของคนไม่ดีทั้งทั้งที่ฐานอะไรก็ดีรูปร่างก็ดีความโน้มเอยียงทางใจก็ดีนะแต่ว่าพอถูกแนะนำให้ไปใสยร้ายพระพุทธเจ้ารับคาทันที แสดงว่าก็ซึมซับเรื่องไม่ดีได้เร็วเหมือนกันแต่เร็วได้ได้เร็วมากเหมือนกันวิธีการของท่านก็คือว่าเวลาชาวบ้านเข้าออกมาจากฟังเทศเนี่ยท่านก็ถือดอกไม้แต่งตัว ไ, ไปฟังเทศสวนกับชาวบ้านสวนเข้าไปนะครบชาวบ้านถามว่าไปไหนมีเกี่ยวอะไรกับพวกคุณนะฉันจะไปที่ พรรุ่งเช้าเนี่ยคือว่าประท่านเดินแล้วทั้งเดินทะลุวัดออกไปพระวัดอัญญาเดชีมันอยู่ใกล้กับวัดประเจดจวัรณนะก็อยู่เลยไปนะฮะอยู่ทางประตูเมืองสวัสดีเดินทะลุหลังวัดนะฮะหมายความว่าตอนเย็นก็ข้าวหลังหลังวัดข้าหน้าวัดฮะทะลุหลังวัดตอนเช้าข้าวมาจากหลังวัดมันทะลุหน้าวัดก็มาสวนให้ชาวบ้านที่มาวัดอีกมันก็เป็นเป็นิสิตเนี่ยเขาถามก็ทํากลุ่มเครือนะฮะพูดกลุ่มเครือ กลุ้มเครือไม่รู้นอนที่ไหนแต่ทําไมออกมาเช้ามืดอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่ครั้งแรกเราเห็นว่าใช้การสงสัยใช้วิธีให้เกิดความสงสัยสงสัยถึงถึ ง, ถงที่อยู่ที่ไปนะฮะของนางไม่ได้เกี่ยอะไระะต่อมา ม, มันประมาณสักสองสเดือนเนี่ยท่านก็เริ่มทําให้เป็นท้องเป็นทีวะทองเอาผ้าอะไรต่ออะไรมารัดทองข่าวก็สร้างข่าวซุบซิบนะฮะ ข่าซุบซิบเป็นแนววินาศกรรมกอรทำลายชืเสียงก็ซุบซิบว่าเธอนี่้ไปนอนที่กุฏิพระพุทธเจ้าก็มีทองให้ทร้ยกับพระพุทธเจ้าไอ้ข่าวยิ่งซุบซิบเป็นยิ่งดังไงบางคนชอบซุบซิบอยู่แล้วแต่ซุบซิบจริงๆมันสงสัยนะฮะซุบซุบซิบด้วยความสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงทีนี้ข่าวซุบซิบหรือข่าวอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าในแง่ของสังคมแล้วเนี่ย มันจะมีคนเป็นสามฝ่ายสี่ฝ่ายนะฮะหมายความว่าคนที่เป็นพวกของคนของของที่มาของข่าวสมมตินในทางไม่ดีเนะะี่ยมันจะกปกป้องแล้วคนที่เป็นศัตรูมันก็จะซ้ําเติมนะฮะคนที่เป็นกลางๆอางอีะจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริ ง, ร ง, ร ง, รงอันนีมน้มันก็แย่งจริงประชาชนแกน็ว่าน้าหนักเนี่ยตรงไหนมันจะทวงได้มากกว่ากัน ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะนั้นเราเราจะเห็นแนวหนึ่งว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่นิยมให้แสดงอที่ปาฏิหาริย์นำในการสอนประชาชนเพราะปัญหาเราเนี่ยคือว่าคนเรานั้นมันจะมีอยู่สามกลุ่มที่มีความรู้สึกเนี่ยสมมติพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ซึ่งวันจริงก็เคยแสดงในบางการณีที่จําเป็นนะเช่นจะมุขปฏิหาริย์ก็แสดง คนกลุ่มที่ศรัทธามันจะศรัทธามากยิ่งขึ้นคนที่เป็นศัตรูเนี่ยฮะจะทําบาปมากยิ่งขึ้นคือจะหาว่าเราพุทธเจ้าเล่นโกนแล้วคนที่เป็นกลางๆเนี่ยจะสงสยัยคือเราจะเห็นว่ามันไปสร้างปัญหาให้กลุ่มคนซึ่งเป็นศัตรูซึ่ง่งมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษระธเจ้าคือทำให้เขาทาบาปมากยิ่งขึ้น ทีนีหรับคนที่เชื่ออยู่แล้วนะมันไม่แปลกอะไรคือว่าสอนธรรมะดีกว่าที่อยจะไปแสดงอิทธิปฏิหารอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฮะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวผู้เจ้าจึงไม่นิยมแล้วก็ห้ามพระไม่แสดงอิทธิปฏิหารเพราะแนวแนวเรื่องเรื่องเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นแหละให้เราสังเกตว่ามันเป็นการสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมแล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะถูกดึง เข้าไปเป็นพวกดึงเข้าไปเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมจากพวกคนตัวเองไงะฮะเพราะพอพอ พ, อ พ, อ พ, อพอเวลาผ่านเธอก็ทําท้องให้โตขึ้นเรื่ยๆไอ้ข่าวซุกซิบเนี่ยมันได้ข้อมูลเพิ่มนะฮะเพราะกาันในเธอสวนข้าวสวนออกเอ๊ะมันท้องมันโตขึ้นทุกวันคงไม่ทุกวันเล น, นะฮะก็โตขึ้นนดๆโตขึ้นเรืก็พอครบเจ็ดแปดเดือนนะฮะพระเจ้า ก, กํบบาลังเทศก็เข้าไปเลย นี่ก็แสดงว่าในแง่มวลชนเนี่ยถือยึดครงยึดยึดคมวลชนไม่ได้พอุมควรว่าประชาชนเนี่ยมันมันมันความโน้มเอียงมาตังชาติจริงอ่ะที่ข่าวลือมาสองสองาเดือนที่แล้วเพราะว่าเห็นเธอข้าเธอออกอยู่อย่างนี้สมานเร็จนั้นวิธีวิธีก็เรียกนาเดพิคานนะฮะแล้วแผนนี้เราอยากคิดว่าใช้อย่างนี้เสมอไปก็คือใช้ระบบการโฆษณาทั้งหลายนะฮะ แบบการโฆษณาการปลุกระดมการออชวนเชื่อทั้งหลายมันก็ใช้สื่อต่างๆเนี่ยออป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆเราจะดึงสังคมไปทางไหนมันก็ดึงไปไปขายก็โฆษณาสินค้าบางทีปล่อยกระดาษว่างมาเลยนะให้คนสงสัย้ทําไมมันปล่อยว่างาก็จ้องดูไอ้หน้านี่ต่อไปมันจะมีอะไรเสร็จแล้วมันตั้งเครื่องหมายคำถามโ อ, อ้เรยิ่งยิ่งสนใจใหญ่นั้นคือวิธีการในะการโฆษณาจริงๆไม่ใช่วิธีใหม่นะฮะไม่ใช่วิธีใหม่อะไรเลย ถ้าพูดถึงว่าเราดูอ๋อไอ้นี่มาตรงนั้นก็ทํำตางนั้นทรงนั้นตรงนั้ น, ต น, นแต่เพียงแต่ว่าเอามาสอนใหม่เราก็กลายเป็นตาวกหา ก, กินกันได้วิธีการนางกินจัมนวิกาก็คือวิธีการประชาสัมพันธ์ที่จะดึงมวลชนมวลชนเข้ามาเป็นพวกแล้วก็ต้องการาจะทําลายพระพุทธเจ้านะฮะเป้าหมายจริงๆมันก็ออกมาเป็น ก็ขึ้นไปโจดว่าพระพุทธเจา้าเนก็ดีแต่เทศสมเสียงไพเราะ ด, ดีไม่แหบไม่เครือน้าวฟังเดีแต่เวเนี่จะว่าอย่างไงเนะี่ยก็ทําให้หนางทองแล้วยังไม่ได้จัดที่ให้คลอดไม่ได้มีเครื่องเตรียมไม่จำมาผู้หญิงจะคลอดถ้าไม่ทําเองก็น่าจะสั่งเนาจะบินิกาเศรษฐีนางวิสาขาให้จัด ก, การเรื่องนี้ให้ก็เป็นโจดกำบังเทศอยู่พรุทธเจาท่านท่านก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะพระเจ้าต้องรับสั่ง พระพุทธเจ้าก็หยุดนะหยุดเทศเดี๋ยก็รับสั่งว่าน้องหญิงเรื่องเนี้ยมันก็เตยกระชั้นนั่นเองอะที่จะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรคือความจริงมันเป็นยังไงนะมันก็ดีใจใคล้ายๆกับคือแค่ฟังคแค่แคพระพุทธเจ้าปไปยอมรับบอกก็แน่แม่ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเราสองคนเนี่ยคนอื่นจะรู้ได้ยังไงตอนนี้มัน ก็เดือดร้อนถึงท้าวสกะเทวราชนะฮะเราก็ดูว่าเทวดาก็ม่ดูไม่ค่อยเก่งอะไรเท่าไหร่ตอนนี้จะมาจะแก้ปัญหาให้อะพระเจ้าธรรมทับเฉยนั้นมาถ้าไม่ทําอะไรไม่เร็วรั บ, รบแล้วสั่งเสร็จแล้วก็กพระทับเฉยนะฮะท้าวส ก, เท ว, กเทวราชก็มาเลยเทพบุตรสี่ตนเทพบุตรสี่ตนก็ปลอมเป็นหนูใช่หนูตั้งสี่ตัวไปกัดเชือกที่มัดทองนี่เดียวมันเตดาเทวด า, ว ด, าดูแล้วไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ เลยทัดตัดเชื่อกนิดเดียวอะต้องใช้เทวบุตรตั้งสี่องค์มากันทั้งห้าองค์ไงนะทํางานนิดเดียวเองก็ก็สรุปเทวดามาอะไรกันนะฮะมาตัดเชื่อกให้ก็ทําให้นึกไงนึกว่าเทวดาเนี้ยก็จริงแกก็ไม่ไม่อะไรเมื่อคืนก็ยังนึกอยู่เทวดานี่ที่จริงก็อัตราแกก็ไม่ไม่ค่ใหญ่อนะฮะเราสักเคกามเอนนิดเดียวแกก็มาแล้วไม่ต้องส่ง่าดสงเกิดอะไรไม่ต้องไปเชื่ออะไรเกกามเอก็มา มีหนังสือก็ลงข่าวโฆษณาพระเครื่องว่าหรือสีเสือหรือสีเสือหนึ่งขุนแก่ น, นก่อยู่ที่อินเดียเป็นชาวขาเขมรเป็นพระทางวัดโพไ ป, ปชอบเล่นโยคะอินเดียก็บอกว่าเชิญเทเ ว, วดาแสนโกรธจักรวาลมาประชุมกันทำพิธีพุทธวิเศกที่วุเจ้าแสดงยมกปฏิหารที่ที่พารันซี มาแล้อย่างนี้นก็เทวดานี่มาง่ายหรือสีเสดนั่งสวมมงษาตัวเดียวเชิญเทวดาก็มาแล้วดูง่ายดีไม่ต้องออกการาตอกเกิดเลยคนไทยเราต้องออกกล้านะฮะต้องส่งตรงไปที่บ้านเทวดาไม่ฮะทาเกกามะก็มาแล้วมาจริงหรือไม่จริงไม่รู้อะก็ว่าแกมาแล้วเสร็จ แ, แล้วก็ส่งให้นะก้นนะนึกนึกนึกนึกดูก็ก็น่าเอ็นดูดีเงี้ยนะฮะแต่ตรงตรงนี้รู้สึกว่าฝีมือน้อยไปหน่อย ทำไมมันตัดเชือกนิดเดียวเอกมาตั้งห้าองงานเล็กก็ะทำออกโขดมากประทำไอ้เชือกมันก็หลน่นนะไอ้ค่องไอ้ของมันก็หล่นลงมาเลยไอต้ตัวตัวตัวท่อนมไม้ท่อนใหญ่ที่รัดทองเนี่ยมันหล่นลงมาก็แทกลงบนบ น, บนข้อเท้าพอดีก็เจ็บก็ร้องคนก็เห็นเห็นชาวบ้านก็โกรธตัวก็ลุกขึ้นคว่างฟ้าบ้างด่าบ้างอะไรแต่ไรถมถุยน้ำลายกวาดเลยนะะใครทันอะไรก็ั างก็วิ่งหนีแล้วก็ถูกตรณีสุขถูกแผ่นดินแยกก็สุขไปตรงนี้คนรุ่นใหม่เข้ามาพูดในทํานองว่าถูกประชาทัานนตะ น, นะฮะก็ อ, อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเวลาเรามองนี่เราเราเราไม่ได้มองเฉ้าตรงนั้นเนี่ย น, นะมันมองเรื่องประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์คือความจริงในในแง่ตรงนั้นเวลานั้นขนาดนั้นน่ยมันเป็นอะไรซึ่งเราส่วนมากเราเรามักจะตัดสินเรื่องอดีตด้วยปัจจุบันคือเงื่อนไขในใช้เงื่อนไขปัจจุบันแต่ตัดสินเรื่องอดีตซึงซึ่ ง, ง, งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตัดสินอดีตก็ต้องเงื่อนไขในอดีตสมมุติตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีหน้าที่อย่างนั้นสถานการณ์อย่างนั้นทุกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหามันจะไม่มีแร้วตรงนี้สมมติว่าประชาทันไเราก็เห็นประชาชนไล่นะมันก็นึกออกว่าหน้าประชาทันไตยทีนี้ตรงอื่นละ่ะเพราะว่าคนที่มันถูกตัว น, นี้สุบมีแต่ห้าคนเนี่ยนะมีแต่ห้าคน น, ะคนพระเทวทัตเนี่ยคนล้อมกายพระเทวทัตจะเป็นลูกศิษย์พระเทวทัต ถามประเดพระทันมานยไม่ม hmm. ีใครเห็นมีแต <isi> mm ่ร hmm. um, e ู e ้สิธฐ์ถามมาแต่นั้นเองแล้วพอท่านยอนเท้าลงรินสาดิมดิมดิมถึงดินนั่นเองตอนนี้ก็แยกสุปตกลงไปเลยแล้วประชาทนมันมาจากตรงไหนเห็นไหมมันคนอื่นมันจะมีปัญหาทันทีไล้พระเจ้าสุปปุถัมค่าราชบริพานคุ้มกันรักษากลัวจะเป็นไปตามํานายของพระพุทธเจ้า พอถึงวันจริงๆท่านก็ตกลงไปจากนั้นนะแล้วโดนประชาธรรมได้ยังไงมันก็ก็ค่าราชบริพันธ์ขอตัวเองทั้งนั้นเลยหรือว่านั้นท้ามานพที่ไปประตุสรายนางบนว น, นาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ น, นะฮะ ว, วิ่งหนีออกออกมาจากนั้นก็ตัวนี้ก็แยกถูกแล้จะเห็นว่าพอใช้ประชาธรรมันก็ฟังได้เฉพาะเรื่องนางกินดาอนุกกา่านั้นเอง ตรงอื่นมันไม่มีคนประชาธาิปไมันไม่มีตัวคนอื่นคนก็เป็นเป็นพวกบริษัทบริวารของท่านเหล่านั้นเองที่รักเคารพนับถือท่านแบบนั้นอยู่ยิ่งนันตะกระยากเองและใหญ่ที่ถูกวนีสูบเหมือนกันเนี่ยนะฮะอันนั้นก็พระสายวิวไปนั่งธนมาบัตดอยู่ในป่าแกอิแอบตีหัวแล้วก็ถูกตัวนีสูบอั น, นี้ยิ่งไม่มีคนเห็นใหญ่เลยเพราะงั้นการการจริงๆก็คือตัวนีสูบจริง มันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่มันแรงเราไม่มีบาปกรรมขนาดนั้นนะฮะที่จะมาเป็นเครื่องมือเทียบเคียงเราคนในปัจจุบันว่าใครที่ทําบาปกรรมขนาดนี้ที่จะถูกธรณีสูบเนี่ยแต่ประเด็นที่สําคัญนั้นท่านจะเห็นว่าการนําพาศาสนาของพระพุทธเจ้าไปสืบต่อกันมาจนถึงเราในปัจจุบันเนเีนเ่ยเป็นเป็นเรื่องลําบากมา ก, มากๆเลยนะฮะ แล้วก็เป็นยุคบุกเบิกคือยุคศาสดาเนี่ยเป็นยุคเหน็ดเหนื่อยมากแล้วต่อสู้ภัยอันตรายมากเพราะการไปสอนให้คนดีเนี่ยอย่าคิดว่ามันดีสมหรับความรู้สึกของคนทุกคนเนี่ยนะสมมุติว่าพระรูปใดที่สามารถเทศให้คนเลิกดื่มเหล้าได้นะฮะเลิกสิ่งเสียติดทั้งหลายได้เนี่ยมันเป็นบุญคุณสมหรับคนกลุ่ม น, นั้นจริง เราก็ช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้นจากหลุงบอ่อใบชะ ม, มกเหล่านั้นจริงแต่อย่าลืมว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกันเล่ากับไอ้สิ่งเสพติดทั้งหลายนะมันจะฆ่าเอานะคือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองว่าไม่ใช่ว่าเราทําดีแล้วทุกคนจะต้องจะต้องยอมรับว่าเราทําดีที่เราพูดนะะอันเนินตาการเลวมันเทน้ําไม่ชอบซ้ํา ม, มันมีดม่นกรีดห็นแม่องค์ร ป, ปฏิมาอย่างรากินคนเดินดดิจะพ้นคนดินตา คือคือคื อ, ค อ, คอต้องมีคนไม่ชอบเราเสมอไปอย่างจำนวนที่ท่านพูดว่าคนรักตาพืนหนังคนจามตะืนเสื่อนี่ค่อนข้างจริงไงนะฮะเาทำดีอย่างไงก็ตามต้องมีคนเกลียดเพราะาไปขัดผลประโยชน์เขาทั้งหมดการทำดีนี่อย่าลืมมาขัดผลประโยชน์คนชั่วนะการทำชั่วจริงก็ไปขัดความผลประโยชน์ของคนดีเพราะในโลกมันก็มีคนดีคนชั่ว เป็นเพียงแต่ ว, ว่าเราจะเลือกเอาดีหรือเอาชั่วแต่ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะะไม่ต้องไปกลัวว่าคนเขาจะไม่ชอบคนเขาจะเกลียดศัตรูก็จะทําอันตรายไปเทศสมมุติเราพระไปสอนนะคนเลิกเล่นหวยเลิกก็อสอนไปนะฮะสมมุติเขาจะทําอะไรกับเรื่องของเขาบาคนละเรื่องกันเราก็คงทำดีอยู่นั่นเองเพียงแต่ ว, ว่าเราได้ทดําดีแต่อย่าคิดว่าเราจะเป็นคนดีในความรู้สึกของคนทุกคนนะแม้แต่เราพระเจ้าเองเราจะพบว่ามันก็มีศัตรูเบียดเบียนอย่างเงี้ย คนเบียดเบียนเพราะอย่าลืมว่าไปสอนคนซึ่งเขามีศาสนาอยู่แล้วนะฮะแต่คนเหล่า น, นั้นก็เปลี่ยนมานับถือเราพุทธเจ้าบนมาทีหนึ่งแรงสมมติเราหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ฮะหมู่บ้านเด็กเต็มเต็มคนคริสเข้าไปแล้วก็สอนคนหมู่บ้านนั้นเป็นคริสหมดทั้งหมู่บ้านในพระเดือดร้อนนะฮะวัดวาอารามต่างแถวนั้นจะต้องเดือดร้อนอย่างแรงก เพรามนันอาจจะเกิดมีปัญหาในการทะเลาะ อ, อะไรต่ากันนั่นก็คือโลกนะนะัะฮะโรคเป็นเป็นธรรมดาประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าการเบียดเบียนการวรทุษรายของของใครนั้นเราห้ามเขาไม่ได้นะฮะเราห้ามก็ไม่ได้แต่ทีนี้คนซึ่งรับฟังข่าวสารเหล่านั้นให้เราลองสังเกตว่าเช่าพูด ที่มาฟังเทศของพระพุทธเจ้าน่ยมันถูกโยกไงนะฮะถูกโยกจนจนก้อนเง่นเนี่สมควรเพราะใช้เวลาตั้งหลายเดือนคือตั้งแต่พอเริ่มสามเดือนเนี่ยแกทําคันโตพอสมควรแบบผู้หญิงทองสามเดือนเนี่ยก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะในช่วงระยะเวลาสามสี่เดือนตัวเนี่ยประเจาต้องผ่านดิบก็ซุบซิบซุบซิบเราเองตกเป็นเครื่องมือเขาเอีเขาว่านางยินดาบราวิกาไปนอนกับพระพุทธเจ้าไมรู้จริงหรือไม่จริง อ๋อันนี้ก็ไปก็ซืบซืบต่อซุบซืบต่เรากลายเป็นเครื่องมือเขาเลยโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหน้นางกินจ่ามริกาตรงนี้ไม่ต้องลงทุนเนยนะฮะเจ้าพูดเราก็คันปากเองก็ไปซุบซิบกันเองก็ไปเรื่อยๆก็ทําให้นางกินจ่ามริกาไดู้ดตรงนี้ถ้าเทวดาไม่มาช่วยก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะยุ่งเหมือนกันแต่ก็เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าคือใครประทุษร้ายไม่ได้ เราพระชนมยุทธสี่ิบห้าปีเนี่ยคนเบียดเบียนแย่แต่ไม่เคยทําอะไรทัานได้นะเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนเอาพูดป่าดวงจันทร์ํานวณมาต่กถาบอกว่ากามุจาระป่าดวงจันทร์เราก็เพื่อนเนี่ยนะะก็ไม่ถูกอะไรดวงจันทร์เกียเย่ยวอะไรดวงจันทร์แต่เราก็เพื่อนเสร็จแล้วก็เผลอๆลมพัดใส่หน้าเราอีกเที่ยวนึงนี่คือลักษณะลักษณะนั้นว่าคนที่ทําดีเนี่ยก็ต้องมั่นใจในความดี แล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนกับคนที่เขาใส่รได้ก็ใส่ได้หรือเขาค่าใจผิดมันก็เป็นเรื่องถ้าเขาค่าใจผิดเราก็ชี้แจงก็ใส่ร้ายก็คือเรื่องเขาใส่ได้เกิดถ้าไปเดือดร้อนเรื่องการใส่ร้ายของคนอื่นแล้วก็เสร็จเลยก็ปล่อยก็ไปก็ใส่ไายก็ใส่ไายเขาก็คิดผิดเขาก็พูดผิดเขาก็ทําผิดเขาก็ะพฤติผิดโดยตัวเขาเองนะฮะครบทั้งใจตวันเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรเราก็ไม่ต้องทําบาปก็ับ ทีนี้เรื่องบาปกรรมที่มันแรงเราจะเห็นว่าเจตนาแรงนั่งกินตนาในการสะสมบาปจิแปดเก้าเดือนนะฮะมัไม่มจะเล็กคิดบาปอยู่ตลอดระยะเวลาแปดเก้าเดือนเนี่ยแล้วไม่จะคิดเฉยๆคือพูดด้วยเพราะฉะนั้นไอ้บาปที่สะสมแล้วไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ควรอย่างยิ่งต่อการประทุษร้ายนะฮะ แม้เราจะไม่นับถือท่านก็เหมือนก็ ก, ก็ตามแหละก็หมายความคนระดับาศาสดาเนี่ยเป็นคนไม่ควรเกิดการปะระตุ้นอะไรเพราะเป็นคนเกิดมาทําประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็การสูญเสียคนระดับนี้เนี่ยมันโลกสูญเสียนะฮะมันไม่ใช่ปัะเจกชนสูญเสียเพราะงั้นการสะสมบาปที่มีมีการคิดอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยให้ลองเราลงเราที่เราคิดคิดคิ ด, ค, ด, ค, ด ค, คิดโกรธคนเนี่ยคิดโกรธอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน ตลอดระยะเวลาแ9เ้าเดือนเนี่ยไม่บ้าก็บุญแล้วนะฮะอันนี้ก็คือก็คือลักษณะสะสมมันเพิ่มปริมาณของความคิดความริษยาความมาคาดพยาบาทต้องการผลสำฤทธิ์จึงเกิดขึ้นจากการวางแผนกับตัวเองเนียกิเลสมันก็เพิ่มมันก็แรงมันก็หนักแล้วก็ในที่สุดกก็ทำครบหมดฮะทางกายทางวิชาทางใจอัน บ, บาปกรรมมันก็แรกก็เรียกว่าเป็น กรรมที่คารุกรรมนะฮะกรรมหนักคือประทุษร้ายประพฤเจ้าแต่ไม่ถึงกับข้อประโลยิตนะฮะประทุษร้ายและการใส่ได้พิสูจน์ทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะก็มาประรบว่านางกินจามนาวิกาเนี่ยเขาดูแลไม่น่าเชื่อนะหรือพระเอ็นนั่นก็ไม่เชื่อหน้าตาก็ดีๆแต่ก็มา เปลียนเปลี่ยนพระพุทธเจ้าวางแผลลึกซึ้งยาวนานตั้งแต่เก้าเดือนพระเจ้าบอกว่าก็เป็นก็อย่างนั้นแหละนางจิตดาวนิการนั้นไม่ได้เธอเคยประตุษรายรเราเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนก็เคยประทุษรายมาแล้วแล้วประสบผลกรรมมาแล้วเห่าวิสูต่างหลายก็กราบทูลรับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ย พระเจ้ปมทัศเสวยพระราชสมบัติใ น, รนพระนครพาราสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพระราชโอรสชื่อว่ามหาปฐุมเพราะว่าพระพักงามมหาปฐุมก็ดอกบัวดอกใหญ่ะนะปฐุมมากคือดอกบัวก็น่าตาเบิกบานแจ่มใสหน้ารักเขาเขาเรียกว่ามหาปฐุมก็ ต่อมาเมื่อได้เจริญเดบโตขึ้งก็ได้ศึกษาและเรียนทิศนาวิจาการต่างๆที่เหมาะควรแก่ความเป็นคัตติยกุมารต่อมาพระมารดาเกิดที่วุงคตอันนี้ก็แบบสูตรเดิมนะนะสูตรเดิมในชาดกกินเยอะเลยก็ก็ไม่ชชาๆดกอะทุกวันก็เดีนเน๋ยวนียเหมือนกันเนี่ยพอมีเก่าตายก็หาเมียใหม่แล้วก็มีปัญหาก็ลูกะฮะ ก, ก็ก็สูตรเนี่ย พระราชาก็ไปมีพระเมสีใหม่กำลังสาวรุนราวคาเดียกหมาว่าตุงมเนี่ยแต่ว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนี่ไม่ค่อยเจอกันนะวังคงอยู่คนละหลายวังไม่ค่อยเจอกันกันไรต่อมามันเกิดมีการพวกก่อกวนตำชายแดนนะฮะเกิดกำเริบขึ้นมาพระราชาก็เสด็จไปเปล่า เป็นปัจจานชนบทคือหัวเมืองปลายแดนก็มอบหมายราชสมบัติให้มหาปทุมราชกุ ม, มารดูแลรักษาบ้านเมืองพระราชบิดาก็เสด็จไปก็ปราปัจจานชนบทราบคาบแล้วท่านก็เสด็จกลับทีนี้นี่มันมันข่าวมันก็เข้ามามไม่ได้ไม่ถึงเลยเวลานั้นมาถึงนั้นเวลานั้นมาถึงนั้นก็ส่งข่าวมาด้วย ทางราชวังก็ทางวังก็รู้ติดตามข่าวทีนี้แน่ใจว่ารุ่งขึ้นเช้าเนี่ยพระเจดีย์ก็จะมาถึงเมืองแล้วมาวัตถุมราชกุมารก็เข้าเฝ้ า, ม า, า, า, า, า, า, าแม่เลี้ยงนะฮะเข้าเข้าเข้าเข้าแม่เลี้ยงก็พอแม่เลี้ยงเกิดเห็นลูกชายรูปหล่อกันา่าก็ชอบใจนะพูดเรื่องอืน่นเสร็จแล้วอ่าขอเชิญไปรับเสด็จพระบิดาย์นางกระชวนขึ้นเตียงได้ ใช่ก็ไม่ยอมก็ออบอกไม่ยอมเลยฉันจะใส่ร้ายเธอฉันจะตัดหัวเธอได้แต่มาวัตถุม ก, ก็ไม่ยอมนะฮะในสุดมาวัตถุม ก, ก็เก็บเงียบไม่พูดไม่จาอะไรเลยแต่แม่เลี้ยงเห็นว่ามันไม่ได้ท่าแล้วถ้าเกิดมาวัตถุมเกิดไปทูลพระราชาก่อนแล้วปัญหาใหญ่เลยอากจะถูกตัดหัวแกก็ทำํำจะแซงนะทําเป็นป่วยไข้ไม่ยอมมาเฝ้ารับเสด็จ เมื่อพระราชาเข้ามาถึงวังแล้วก็สอบถามเรื่องอื่นเสร็จแล้วก็สอบถาม ถ, ามถึงพระมเหสีทราบว่าทรงไป ช, ชวนอยู่ก็เป็นห่วงก็เข้าไปเยี่ยมแต่ก็ใช้มารยานะฮะแต่บางย่างสารพัดนะว่าก็เสียแซงไ ป, ปราชาก็เร่งร้าที่จะให้เล่าความจริงนางก็ป้ายสีจะเต็มที่เลยนะฮะบอกว่ามาพุทุม ไปเอ่อตอนนี้ฮะก็ผมคืนอะไรเขาเนี่ยว่ากันไปเรื่อยๆเล่าไปอวิจิตวิษณ์ดานประชาชนกิ้วนะฮะสร้างจับสร้างจับรามหาปทุมทันทีแล้วพวกที่ไปจับมันเราเห็นภาพอย่งหนึ่งถึงไงพวกขุนรอยประยักษทั้งหลายเนี้ยเข้าชา้าไหนก็เอาด้วยช่วยกระพือ ราชการที่ห้าท่านว่าไว้ก็น่าคิดนะฮะท่านว่าคนไทยเนี่ยจะ่วางใจว่าจงรักภักดีจริงนะฮะอย่าทําให้โกรกกันแล้วกันนะเพราะถ้าโกรธแล้วจะเอาไม่อยู่อย่าไว้ใจว่าจงรักภักดีจริงเพราะถ้าก็โกรธแล้วเนี่ยมันมันจะเลิกเลยเรื่องจงรักภักดีเป็นโกลนโขดกันเลย แล้วก mañana, ็ชนะไหนเอาด้วยเนี่ยท่านท่านท่านว่าไว้สามอย่างนะคือ็หนึ่งอย่าไว้ใจว่าจงรักฟังดีจริงสองอย่าทำให้โกรธแล้วโกรธแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องไงนะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยก็เหมือนกับพวกที่ปิดถนนที่ที่ที่ปราณบุรีนะฮะทำเพื่อนกี่จังหวัดข้างล่างเนเดือดร้อนหมดลยสิบี่จังหวัดพูดจะขึ้นมากรุงเทพดือดร้อนกันหมดพวกที่ลงก็เดือดร้อนกันหมดได้คิดอะไรนะ จะหน้าไหนเอาด้วยนะจะหน้าไหนเอาเขาด้วยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่พอมีข่าวมาอย่างนั้นก็เชื่อข่าวทันทีเชื่อข่าวทันทีก็รุมด่าว่าราตกคุก ม, มาแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนไม่ไม่ยอก จนม่ยอมบรรุกว่าว่ามาวัฒนุลพไดกุมารจับก้อแขกเขา้เขามาห้อมล้อมมาขอร้องผู้อมามัดข้าราชกรบริพาณหลายก็คัดค้านหมดเลยตรงนี้การโต้อตอบตรงการโต้อตอบที่จริงก็กล่าวเขาเรียกเป็นทุภาษิตนะฮะเป็นสุภาษิตเป็นคําเป็นคําคมที่กระตุ้นในคิดกันแรกก็คือผวกข้าราชการผู้ใหญ่อํามาผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชาเนี่ย ไปดูฟังอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้พิจารณาด้วยรงเองไม่ได้สวนสอบเก็บเกียงหลักฐานต่างๆด้วยตนเองแล้วก็ดวนตัดสินเนี่ยเป็นการไม่สมควรอันนี้ท่านท่านท่านหลายได้โปรดเข้าใจนะะว่าธรรมะนั่นคือธรรมะธรรมะนั่นคือธรรมะแต่ว่า เวล น, นี้ก็พูดกับใสรอย่างที่พระเจ้าใช้คำว่าพิสูจทั้งหลายนี่ไม่ได้หมายความว่าเจาะจงว่าพระเท่านั้นแต่ว่าตอนนั้นพูดกับพระเท่านั้นเองพูดกับพระเท่านั้นเองมันก็ใช้ภิสษุทั้งหลายตอนนี้ก็พูดกับพระราชาก็คือใช้คําว่าพระพระราชาทั้งหลยแต่ที่จริงแล้วก็คือข่าวเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ คือบางทีก็ตัดสินแล้วตัดสินเชื่อไปแล้วตัดสินปฏิเสธไปแล้วทั้งๆที่เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรในกรณีนี้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายนะเรื่องข้อขาดบาดตายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ราชทายาทมันสิ้นราชวงศ์นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเล็ดไปฆ่ามาพระบรมราชกุมารมันสิ้นราชวงศ์นะเพราะพระราชาก็สรงพระเจล า, าแล้วพระเมรสีใหม่ก็ไม่มีพระโอรถมันก็ไม่มีพระโอรสเพระงองค์เดียวนั้เองเรื่องขอขาดบาดตา ย, ยด้วย ประชาชก็ไปเลยนี่คือคือประเด็นหลักที่สคาคัญก็คือการรับฟังข่าวสารเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามอ่างที่มาเคยเคยพูดไปพูดกับชาวบ้านนะพูดอะไรที่ไปตัวประเทศแล้วบางจะพูดนะฮะตืต่นเรื่องต่งนี้ว่าจะมีข่าวคราวเรื่องผู้หญิงโจทย์พระอย่างนั้นอย่างนี้นะฟังพระสัก5้าสิบหน่อยไม่ได้เลย พระท่านก็นมีศีลทั้งสองร้อยเจ็ดผู้หญิงมีศีลห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้มาโจทย์ปั๊บจะเชื่อแล้วนะแล้วเชื่อไปหมดทั้งร้อยเลยแล้วพระเราเองเนี่ยไปเชื่อนะไอ้เ น, นี้ย ค, ค, คือคือคือวิธีการทำลายคนว่าคนมันชอบดูไอ้ความพิบัติของคนอื่นแต่ไปนึกว่าถ้าเราตามนั้นแล้วมันมันยุ่งยากจางงานเรื่องที่จะตามมามันเสียหายแรงแรงมากเลยแล้วคนก็อาจจะใส่จุดอ่อนตรงนี้มาทาลายคนของเรา สร้างข่าวซุบซิบแบบนางกินจบกวรริกาใช้เวลานะี่ในกี่เดือนนั่นเองแต่ในสุดบางๆมันก็เชื่อไปได้ตรงนี้เราจะเห็นว่าพระราชานั้นใช้ความโกรธก็สู้มารายาของพระสนมใหม่ด้วยนะก็โดนข่าวและคนแก่ด้วย ม, มันประกอบกันหลายอย่างคนแก่นี่ที่จริงต้องหนักนะะคือจิตใจนี่ต้องหนัก องหนักใเหตุในผลได้ฟังข่าวคลาลรายแต่รายก็ไม่ได้เชื่อง่ายเกินไปเพรา ะ, ะเรื่องเรื่องเหล่าเนี้ที่จริงเนี่ยไม่มีประจักษ์ประยาน ย, ยังไม่ได้สอบถามมหาปทุมเลยแล้วก็ฟังแต่กระเมียแต่นั้นเองก็เชื่อแล้วเพราะฉะั้นพวกหมาก็เตือนนะฮะบอกพระราชาไม่ได้พบเห็นเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้สอบสอบสวนใครครัวพินิพิจารณาแล้ว ตนตสินเนี่ยเป็นการไม่สมควรยังไม่เชื่อนะผู้กันนั้นท่านถือว่าสอนท่านก็เขาก็<ๆ>พูดใหม่ mm. ก็บอกพระราชาที่บินิจฉัยเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามที่ขาดความรบกพรองนะขาดความรบกพองขาดหลักของเหตุผลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกลืนอาหารที่ที่เป็นพิษเข้าไป มันก็แค่กับปลาคแค่กับสัตว์ที่มันกินอาหารแล้วก็ติดสิ่งปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเองคือทำลายตัวเองก่อนนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะการตัดสินคดีอย่างนี้เรากหมายหมายความว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องพิจารากันหลายแง่หลายมุมคือถ้าไม่งั้นก็รับฟังไว้แค่นั้นก่อนรับฟังไว้ก่อนว่าข้อมูลในเรื่องนี้มันก็มีอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าไม่จาเป็นอะไรเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่ต้องมาคิดอะไรนะฮะไม่ต้องมาคิดอะไรเพียงแต่ว่าในกรณีที่มันจะมีผลผลได้ผลเสียเราจะมีผลได้ผลเสียด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลมากพอในการตัดสินปัญหาเหล่านั้นอาจจะเป็นการมองจากมุมเดียวจากด้านเดียวแล้วก็ด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธทั้งสองด่วนเนี่ย น, นะฮะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะทั้งด่วนเชื่อทั้งด่วนปฏิเสธไป ต่อไปนี่จะเป็นอันตรายต่อเราทีนี้ประการต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าการตัดสินคดีที่มันอคติเนี่ยตัดสินไม่ได้ความลำเอียงมันจะเป็นเหมือนเราเดินทางที่ไม่รู้ว่าทางมันเรียบหรือไม่เรียบคือไม่รู้ว่าทางไหนควรเดินหรือไม่ควรเดินเนี่ยนะฮะ ไ ม, ไม่ควรเดินคเดินไม่ควรเดินก็รู้ไม่รู้ว่าเรียบหรือไม่เรียบผมก็เดินไปเรื่อยๆนั้นจะเป็นอันตรายคือคือคนเราที่จะที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยมันมันอย่าลืมว่าการกระทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันมีผลต่อนเนื่องไม่ใช่พเสร็จก็เสร็จไปเลยที่จริงมันมีความต่อนเนื่องทางด้านดีเราก็ต้องรับผลต่อนเนื่องกางชาตินี้ส่วนหนึ่งก็ชาติหน้าส่วนหนึ่ง อาจจะเพราะจันนี้ก่อนก็ได้นะฮะถ้าไม่ดีมันก็มีผลต่อนึงแล้วที่จริงก็ไม่ใช่กระทบเฉพาะเราในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของสกุลเป็นสามีเป็นพันยาก็มีสามีมีพันยามีลูกมีเจ้ามัครอบคลุมีมองสกุลมีสถาบันต้นสังกัดอะไรอไรมันก็เยอ้ายะนะทีนี้ถ้าตัดสินวินิจฉัยเรื่องอะไรง่ายๆนะฮะ โดยไม่ใช้หลั ก, กพิจารณาตรวจสอบเทียบเคียงที่้รงใช้กัำว่าพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกจ้องตำหนิให้ความนับถือแม่ความนับถือสรรเสริญหรือว่านินทากาตามกรรมตามกรรมคือการการะทาของบุคคลเหล่านั้น คนไทยเราเองเนี่ยมันมันมันจะเป็นจตูตัวตนเองคือเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองก็เตือนหนึ่งสามสามประเด็นแล้วนะฮะพระราชายัางยังไม่ยอมในสุดเขาก็ต่งางข้อสังเกตให้ประราชาคิดว่าผิดคนโกรธเนี่ยพูดมากนะคนโลกก็พูดมากนะหมายความว่าเราจะเห็นว่า เออวลาคนโกรธเนี่ยให้ลองตั้งกตคนโกรธกพูดอะไรไม่รู้เอามากลโนดดึกดําบรรมามันดา่ากันกลโนดด่าอะไรแล้วทดลองอัดเทปฟังคำกระดากระดาแล้วด่าอีกนเ <laughs> <laughs> ลยแสดงว่าถ้าความโกรธมันไหลแล้วมันก็พูดมากอะพูดมากแล้วก็พูดเกินจริงนะคนโกรธเนี่ยจะพูดเกินจริงเพราะฉั้นที่ท่านบอกว่าโลภะโทสะโมหะนี่เป็นรากง้าของความชัว่ว เราจะเห็นว่าที่เราพูดผิดทําผิดออกไปเนี่ยเพราะอาการของกิเลสเรานะั้นมันแรงปู่ก็พูดเกินจริงนะเกินจริงก็ใส่รายไปสีกเกินแยะยังนั้นจินตนาการที่เล่าไว้ในตอนตน้นเราเห็นว่าไม่ใช่กโกรธนะแต่วันมันเป็นริษยาซึ่งเป็นกิเลสทั้งโกรธทั้งโลภนะหมายความยังไงคือว่า โลภในราภสกกระที่พระพุทธเจ้าท่านได้ก็ อ, อยากได้เจ้าเองแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเราก็โกรธในตัวพระพุทธเจ้ากิเลสเลยมันแรงนะมันเป็นริษยาริศยามันแรงเ ป, เ, ป เ, ปเป็นกิเลสที่บวกกันสองตัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าริษยาทำโลกให้พินาศกิเลสแรงนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดต่อกันแนวริษยาและอันตรายมากๆเพราะในจุดนี้ท่าน ทัานก็เตือในให้คิดว่าคนที่โกรธเนี่ยเขาจะพูดมากแล้วก็พูดไม่จริงทีนี้คนราคาจัดคนโลภจัดพวกนี้ก็เหมือนกันคือจะไม่จริงนะเราจะเห็นว่าการโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาสินค้าอะไรก็ตา ม, มานะโฆษณาสินค้ามายัางเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นห่วงว่าบ้านเมืองเราในต่อไปนี่มันมันจะตายตรงนี้ คือคือเราแม้แต่เราดูเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสองกลุ่มที่ค่อนข้างชัดมากแล้วเด็กเราเนี้จะโตขึ้นมาอยู่ในสังคุมต่อไปเด็กกลุ่มหนึ่งนั้นมีการทะนุถนอมมาอกเคใจเรียกว่ายุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบเลยมันเปราะ บ, บางมากเลยเด็กเหล่านี้ไม่ประทะสังคมที่จริงๆคือมีการประคบประ ง, งมมีการอุ้มมีการประคับประคองกันนะเฮโลสารพากันเหมือนกันนะเด็กมันไม่ยืนหยัดโดยธรรมชาติ อลูกมีการโอกันเยอะนะฮะแล้วเด็กกลุ่มหนึ่งนีนถูกทอดทิ้งว้าเวโดดเดี่ยวเดียวดายนะะจากจนคนแค้นงถูกทรมานอ่าเอามากันติดตามข่าวไอ้หมู่บ้านคุ้มครองเด็กอนะ่นึกจะไปเยี่ยมสักบันกลัวจะเป็นข่าวไอ้เรื่องนะั้นกลัวจะเป็นข่าวไม่เคยกล้าไป เอ็นดึกด like so so so er ึกจะไปเยี่ยมกันสักวันเนี่ยนะรู้สึกโอ้โหเนี่ยเด็กเหล่านี้ยลูกหลานเรานะฮะโตไปก็โตมาอยู่ในสังคมกับพวกรุ่นเนี้ยนะฮะพวกรุ่นที่ที่พ่อแม่โอบกันมหาศาลนี่มาโวลานี่นะอยากได้นั้นได้นั้นอะไรต่อะไรเข้าปลยช้อปปิ้งหอบกันพ่อแม่ก็หอบกันปรุงปรารังบางทีต้องจ้างรถมาส่งเพราะรถที่เอาไปมันใส่ไม่พอเด็กคนหนึ่งมันขาดอย่างแรงนะะเด็กมันหนึ่งมันมันมันซำลักเลยพวกหนึ่งมันมันมันมัน มันเฉาวความรักมันเฉาวพวกหนึ่งมันใส่ปุ๋ยกันเซนจนจนเวอร์ไปเพืนนะ่อนแกแน่น่ะไอ้นี่คือคือเด็กเหล่านี้แกจะโตขึ้นมาในสังคมแล้วแกจะอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยซึ่งมปนเรื่องที่น่ากลัวแล้วใครจะมาช่วยตรงเนี้ยลดช่องว่างระหว่างเด็กเหล่านี้ลงไปได้นะฮะเราดูแล้วปัญหามันเยอะจังเลยพยายามตามมานานเล้หมันมั น, มนตัวเลขมันเยอะตัวเลขมันเยอะ แล้วก็อีกคนคนกลุ่มหนึ่งเราจะเห็นว่าคนแก่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะต่อไปจะตายชา้าลงมีคนอายุร้อยสิบกปียังเดินกระฉับกระเฉงอยู่นะฮะอย่นี้แล้วคนแก่กลุ่มเนี้ยปัญหาสําคัญว่าไอ้เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เคยได้รับการเอาใจถูกทอดทิ้งเด็กกลุ่มหนึ่งมีแต่คนอื่นเอาใจเอาใจคนอื่นไม่เป็นฮนะผลรุนแรงคนแก่เนี่ยจะโดนสุญยากาศคือจะถูกทิ้งไนงะ แต่กลุ่มหนึ่งแกแกม่เคยได้รับการทะนุถนอมเอาใจจากใครจากสังคมมีแต่สังคมเบียนเบียงเขานะฮะแม้แต่พ่อแม่เองนะฮะประตูสลายรูกตัวเองแในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีแต่คนอื่นเอาใจแกก็เอาใจคนอื่นไม่เป็นนั้นเราก็ติดตามดูว่าเวล น, นี้ตามต่างจังหวัดมีคนแก่แต่พวต้ไปเก็บไว้ในที่บางแ่งนั้นสี่ห้าร้อยอยู่ในที่เดียวกันนะฮะเร่งกับว่าความบกพรเรื่องก่อนข้างใหญ่ นี่เป็นปัญหาทั้งคม น, นะฮะมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากเรื่องของกิเลสที่มันมากเกินไปนะหมายความข้ั้งหนึ่งรักมากเกินไปจนสำลักค้ังหนึ่งชังมากจนเกินไปจนเศราก็เกิดมาจากความรักความชังก็เกิดมาจากกิเลสประเภทโลภโกรดหลงนั่นเองเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ไม่รู้จะคิดกันยังไงนะมาว่า คณะสงฆ์นี้ควรจะช่วยแต่ว่าพระเองนี่ก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะเรื่องเด็กเล็กๆ เ, เ, เนี่ยแต่คงจะต้องคุยกันต้องพูดกันนะนะพระเข้าไปช่วยส่วนหนึ่งก็คงจะพอช่วยได้แต่ว่าช่วยหมดไม่ได้สำเรื่องใหญ่เล็กเกี่สรุปประังคมต้องต้องหันกลับมาดูแลคนสองกลุ่มนี้นะฮะว่าทํำยังไงใหญ่มันมันมันมากเกินไปมันชักจะตะกีลาสถานนโย ก, กับกามาตุกะริการนโย ก, กันคือมันจะเข้าตกขอบมาตรงสองด้าน ผลสุดท้าคนแก่จะตกโดดเดี่ยวคนที่พูดด้วยความรักหรือพูดด้วยความโกรธนะฮะเราจะเห็นว่าจะไม่จริงนะฮะจะเกินจริงเกิดจริงเพราะงั้นผู้หญิงคนนี้ท่านพูดด้วยความโกรธจริงๆมันเกิดความรักก่อนนะแล้วเกิดความโกรธเพราะงั้นผู้นี้จะแรงมากไม่สมหวังคือรักที่ไม่มีการสนองตอบ ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้นะตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องน่ากลัวว่าเมื่อเธอต้องการแล้วไม่มีการตอบสนองมันคล้ายๆกับที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครว่าเราอยากได้อยากได้ทองคนหนึ่งก็อยากได้ทองไงนะฮะไปเจอทองแท่งหนึ่งคนหนึ่งก็อยากได้คนหนึ่งก็อยากได้ในที่สุก็ไม่ยอมกันมันก็ฆ่ากันนั่นก็คือก็คือพฤติกรรมที่เกิดเกิดจากการสะท้อนของกิเลส ไอ้ น, นี่เป็นเป็นราคาที่ไม่มีการตอบสนองทำให้เกิดความคับแคลนความอะย์อดสูบมันสารพัดเลยะฮะมารุมมาตุ้มเพราะงั้นแผนนี้ก็คือตายลูกเดียวตายลูกเดียวก็วางแผนให้ตายลูกเดียวนี่คือคือความคิดที่เป็นอันตรายและในที่สุดเขาก็เตือนนะพระราชามาว่าคือถ้าพระองค์ทำเนี่ยพระองค์ต้องคิดนะฮะว่า นี่คือพระราชโอรสประชาชนเป็นนั้นมากเนี่ยเขาเห็นพระราชโอรสไม่ผิดประราชาชนท่านแข่งเนี่ยท่านปลน่อโนนเลยท่านบอกว่าเออคนทั้งหลายมันเข้าด้วยราชกุมารนั้นนั้นแต่ว่าพระเทวีนั้นเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าด้วยเพราะงั้นต้องฆ่าราชกุมารมาปลา่อยโน้นเลยไปล่โนนเลยไอ้นี่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะตอนนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเผด็จการเป็เสร็จแล้วเกิดในที่สุดก็ สั่งให้นำพระราจุกมานพระุมราชกุมาร ก, มก็ไปทิ้งเหวคนก็ร้องอ้อนวอนแห่แหนกันไปก็ทำอะไรก็ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นอำนาจเป็นเสร็จแต่ก็เมื่อทิ้งลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเทวดาเนี่ยลู ก, กเทวดาท่านรับไว้แล้วก็นำไปมอบให้อยู่กับพญาะะนาคในประดา อยู่กับพญานาคอยู่หนึ่งปีพระธูมนากุมารบอกว่าท่านท่านท่านอยากจะ ก, กลับโลกมนุษย์อะอาจาจะกลับไปทําอะไรไปอยู่ที่ไหนนั่นหรอกอยากจะบวชเป็นหรือสอยากจะบวชก็ในสุก็กลับมาสู่โลกมนุษย์ก็บวชนะฮะบำเพ็ญเพียรก็บวชจนบนรรลุรูปฌานรูปฌานก็แบบที่พระพุทธเจ้าเคยได้ในสำนักลานดาวบวชตุตกดาบวชนรูปฌานนะรูปฌาน ต่อมามีได้พรานคนหนึ่งกไปเที่ยวในป่าก็ไปเจอครับก็จําได้นะว่าพระองค์นี่เป็นเป็ น, ปนหมหาปฐุมราชกุ ม, มารเนี่ยอาดา บ, บทุทก็เล่าความจริงนะครับนายพรานก็อยู่ที่นั้นปฏิบัติอุปถากตํารุงพระโพธิสัตว์อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาก็ามาทูลให้พระราชาสมสาพระราชาตีหลังมันรู้หมดแล้วนะฮะอะไรเป็นอะไร่ไรแตแต่ว่า มก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะลูกก็ตายแล้วก็คิดว่าลูกก็ตายแล้วทาเมสีก็ยังอยู่ก็ดีใจก็รีบชักชวนกันมาเฝ้าพระบุษศาสตร์ท่านก็ต้อนรับในฐานะฤาษีต้อนรับพระราชานะไม่ใช่ในฐานะพ่อลูกต้อนรับพ่อพระราชาก็เรียนถามว่าก็พ่อให้ทิ้งเจ้าลงไปในเหวแล้วทาไมเจ้าถึงไม่ตาย ท่านก็บอกว่าเมื่อลงไปนะที่เงาหัวลงด้วยนะเทวดาท่านรับไว้แล้วก็วางบนพังผานก็ น, น, ข น, น, ขนัขคาราณกราณาก็นำไปสู่นาคภิปภพแล้วก็จะอยู่กับพญานาในสุก็ตัดสินใจประพวติพระรจชาก็ขอให้กลับขอเข้ามาลาโทษทุกอย่างนะฮะเป็นความผิดกันท่านทุกอย่างแต่ก็ให้พระราชกุมากรกลับไป พระดดาวุฒพูดเก่งนะเก่งท่านบอกว่าคนคนที่ถูกเหยื่อถูกไม่ใช่ถูกเบ็ดเกี่ยวตัวเบ็ดเกี่ยวแล้วก็ปลดเบ็ดนั้นออกรักษาแผลหายสนิทแล้วเนี่ยจะกลับไปให้เบ็ดเกี่ยวอีกเนี่ยก็ไม่ทำหรอกก็ไม่ทาหรอกประชาชนก็สงสัยมันภาษาออกจะเป็นปริศนานะฮะ แล้วก็หมายความว่าอย่างไรเออท่านบอกว่ากามคุณเนี่ยเกิดในแง่ของโลกมันก็คือเหยื่อนะคือเหยื่อที่ให้ความยินดีให้ความพอใจแล้วก็ติดมือก็ปราดติดเดียร์ที่เดียก็ติดเบ็ดนะฮะหมายความก็ติดเบ็ดอยนะู่แน่ๆเปิดดั่งของเราของเราของเราอยู่พักเดีย แล้วจะเดือดร้อนพระเยร์เนี่ยก็ดิ้นรนกันพระเยร์เพราะนท่านท่า น, ท, านท่านจะไม่กลับไปสู่อำนาจสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปอาจะสมบัติอะไรแต่แล้นี่ก็คืออยู่ที่มุมมองมุมมองเป็นพัฒนาการทางจิตของคนที่จะมองอะไรก็แล้วแต่นะเพราะสิ่งเหล่านี้ในแง่ของศีลธรรมจริยามันก็มองได้ระดับหนึ่ง เจะเห็นว่ามันไม่ถึงขนาดนี้มันไม่ถึงขนาดเนี้มองไม่ถึงขนาดนี้อย่างอะไรล่ะที่นางธรรมธินาเท ร, รีท่านมองทรัพย์สมบัติมรดกทั้งหลายที่วิสาขาอุบาสกผู้เป็นสามีมอบให้นะฮะมอบให้ทั้งหมดเลยท่านมองเหมือนกับน้นําลายที่วิสาขาอุบาสกทมทมใส่หัวท่าน ไม่ใช่เล่นนะฮะมองมองมองลึกซึ้งไม่ใช่เล่นนะแล้วท่านก็ไม่รับะนรับหรือว่าสุมเมตตดาบทที่มองมองการกระทำของบรรพชนที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็ตายทิ้งไปเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดท่านเองก็จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปด้วยเราจะเห็นว่ามันไม่ถึงกระสลัดเป็นการมองระดับศีลธรรมยัญญาเป็นการตกแต่งภกชาตินะฮะให้ประณีตขึ้น โดยไม่ให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นเหนี่ยวตัวท่านไว้นะฮะแต่ท่านจะใช้ประโยชน์จากมันโดยการแปลงเป็นบุญเป็นบา ร, รมีนะเพื่อเสริมสร้างบา ร, รมีต่แต่งภพชาติของท่านให้ประณีตมากยิ่งขึ้นนั่นะก็อีกระดับหนึ่งก็แล้วแต่ใครจะมองใครจะมองคือคือบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าคล้ายๆกันแนวของจุเลกัสซัดกทีติก ท, ท, ที่เคยล่าความนานแล้วนะที่ว่าแกมีพระองคมอยู่พื้นเดียวสองคน ผัเมียมองก็นึกดูว่าถ้าแก่จะข่มันก็ให้ความอบอุ่นได้เฉพาะชาตินี้แต่ถ้าไหวพระพุทธเจ้ามันก็ได้ผลถึงชาติน้หรือว่านายสมมนมาลาการในถือดอกมาลัยมาเพื่อจะไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพอเจอพระพุทธเจ้าก็ถวายพระพุทธเจ้าแต่หมายความเอาของซึ่งตัวมีหน้าที่จะต้องถวายพระเจ้าแผ่นดินมาถวายพระพุทธเจ้าอาจจะติดคุกก็ได้นะฮะจะถุกประหารก็ได้ แต่กแกก็มองในแง่ว่าพระราชาให้รางวัลแปกหาปณะเก้านะกหาปะนะในแต่ละวันมันก็ให้ความสุขแก่ท่านในปัจจุบันแต่ว่าการที่ถวายพวงมาลัยแกพ่พระพุทธเจ้ามันมีผลในการสืบพบสืบชาติบนหน้าอนาคตอันนี้คื อ, ค, อ, ค, อคือเราเห็นว่ามันก็มองสิ่งเหล่านั้นแต่อาใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยทําความดีมันไม่ถึงกับสละละวางเป็นเป็นเหยื่อเป็นเป็นอะไรขนาดนั้น แต่ว่าท่านมาบัตุมดาบทเนี่ยท่านเป็นเป็นฤษีได้ฌานเนี่ยนะฮะได้ฌานเราจะลืมว่าภาพจิตที่มีฌานเนี่ยมันสำลอกกามาฉันได้คือการมาฉันความยึดติดในรูปวัตถุทั้งหลายของท่านเหล่านี้ไม่มีเพราะท่านจึงมองชัดมากคือเห็นเป็นเป็นปราติดเบ็ดเป็นปลาติดเบ็ดแล้วก็สลัดออกไปแล้วเราจะมองว่า แรงก็แท้กับท่านที่สูงคือท่านไปเกี่ยวเกาะขนาดไปกราบบังคมทูลพระแม่เลี้ยงไปรับสเสด็จตนเองเกิดเจอเรื่องขนาดนี้นะอเอาเกือบตายไปเลยเนี่ยแล้วถ้าถ้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วไม่ตายเลยอนะันนี้คือคือคือท่านก็เทียบเคียงว่าช่วงระยะเวลาที่ท่านอยู่กับนาคราชหนึ่งปีแล้วก็มาบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรแล้วก็เทือนจะอยู่ในวังตั้งสิบกว่าปีนะ ยันเป็นหนุ่มก็อาจจะยี่สิบกว่า ป, ปีก็ไม่ได้บอกไปไปชนกี่ปีแต่ก็สรุปว่าการมองการมองให้เห็นเห็นเหยื่อคือกามาคุณทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดลมด้วยจมกูกริมด้วยลิ้นถูตกต้องด้วยกายนะฮะก็สืน่นึงตัวใจเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําบาปเพื่อได้มาก็ก็เยอะแล้วนะะมาทำยังไงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อย่าถึงกับทำบาปได้มาก ทำมันได้ก็มันได้ม ไ, ดไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวถึงจะทาบาปก็ช่วยอะไรไเยอะนะฮะช่วยอะไรไเยอะไม่ต้องถึงขนาดขนาดที่ท่านหมาปุูมมองเอาขนาดนี้ว่าอย่าทำบาปให้ได้มนาะจะได้ก็ได้จะไม่ได้ก็แล้วไปพอทาบาปได้มาบาปเป็นสิ่งติดตัวนะฮะแต่ว่าสมบัตินั้นเป็นของสาธารณะและ จ, จะเป็นประจักษ์พยาน เหมือนกะทิเขาพูหวาเรื่องเพชรซาอู ก, กันอยู่ที่ว่าอยู่ในคอคนนั้นคนนี้นะเนี่ยนะถ้าอยู่จริงก็เสียบุบๆไปนะคนคนที่ครองเพชรเนี่ตอนนี้นอนไม่หลับเลยนะไม่หลับเพราะว่าสถานการณ์มันบีบมากเลยอันนี้ก็คือก็คือวัตเป็นมันมันเป็ น, น, เ, ปนเป็นปลาที่ติดเป็ดไอ้ตัวนั้นมันกลายเป็นเหยื่อเพชรเพชรนั่นคือวัตถุการนะวัตถุกรรมที่เป็นรูปรูปที่เราไปกําหนดว่าหน้าค่ายหน้าปราถนาน้าพอใจ ถ้าถามว่าจริงๆหรือเปล่ามันก็ไม่จริงะนะเพชรเนี่ยมันไม่ใช่น้าใครน้าปราตนาหน้าปะเมันอยู่ที่ใครมันไม่ได้อยู่ที่อะไรนะเพชรสําหรับคนบางคนที่อืมราชการที่ผมเคยแต่งวันนี้ผลอผููใดไม่มีดนตรีการในสันดานบางคนจมก้น น, กนักแม่ใครฟังดนตรีเหมือนเพราะคนนั้นเหมาะคิดกนะระบฏอภิปรระ ที่จริงเนี่ยท่านลืมไปนะท่านลืมไปว่าพวกพระาอารหันต์ทั้งหลายในท่านฟังไม่เพราะเหมือนกันนะดนตรีท่านลืมไปคือท่านมองแบบโลกเกินไปท่านลืมไปว่าพระอริยะเนี่ยท่านไม่ยินดีในเสียงดนตรีแล้วนะพระจิตใจท่านอยู่เหนือดนตรีมันฟังด้วยราคะนะฮะฟังด้วยโลภะฟังด้วยราคะแต่ว่าเมื่อกิเลสเมื่อใจมันไม่มีราคะมีโลภะแล้วดนตรีมันก็ไม่มีอะไรก็คือเสียงคือเสียงแต่นั้นเอง ไม่ได้เกิดความรพลิดเพลินยินดีอะไรนะแล้วก็แม้แต่ว่าคนรุ่นท่านทั้งหลายลองไปอยู่ในอะไรนะตั ว, วเด็กมันคอนเสิือกันที่เต้นกันเหงื่อโชกอ่านดูลเลยเกินนะดีเราไม่มีลูกเลยไปเต้นอย่างนั้นเหมือนกับใต้เดือนใ <c> น <oughs> ครูขี้เท้าไม่ ไ, มไห ว, วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ก็ไม่ยินดีในที่นั้นแต่ไม่ได้หมายความเราหมดกิเลสต่เพียงว่าไอ้ดนตรีขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เป็นวัตถุการามสำหรับเรา มันไม่มไ ม, ม, ไม่มันไม่ถึงก็ไปยั่วให้เราอยากไปยืนฟังอยู่จนมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยอมกินไม่ยอมข้าวของน้าไม่ยอมอะไรเลยมันไม่ใจขนาดนั้นนี่ก็แสดงว่าอะไรปัญญามันเกิดขึ้นมันก็ไปลดไอ้การมราคะในเรื่องหลายๆเรื่องไง น, นะฮะหลายๆเรื่องก็ลดลงไปก็อมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระก็ระจริงๆโดยสภาพเขาเขาก็ไร้สาระนะฮะไร้สาระเป็น ตอนที่เปิยหน้าภูพังไปตามการเพราะฉะนั้านาการมองแบบประโพฤติทัศดมองเนี่ยจึงเป็นการตัดสินจากพื้นจิตของท่านเองนะฮะพื้นจิตของท่านเองที่มองเห็นความจริงชัดเจนมากยิ่งขึ้นม อ, นะ ม, อมองแค่เบ็ดนะนะมองแค่เบ็ดมองแค่เยอะในสุดพระราชาทัดก็อ้อนวอนยังไงลูกก็ไม่ไปก็กลับไปแล้วก็หันมาถามอามาตว่าไอเนี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนการพระคราจักโรคการสูญเสียการเสื่อมเสียของท่านมันเกิดมาจากใคร ทุกคนกูชี้ตรงไปที่ปเทบีนะฮะเทบีวานนี้ปัญหาทั้งหมดมาจากผู้หญิงคนนี้เฟินก็จับปเทวีไปโยนในที่แห่งเดียวกันตอนนี้ไม่มีเทวดารับนะฮะไม่มีเทวดารับก็เลยก็เรียบร้อยไปนี่ก็เป็นธรรมะที่มีอยู่ในตัวคนนะฮะท้งกิเลสท้งกุศลเราจะเห็นว่าความดีเนี่ย เราทําเนี่ยไม่จําเป็นว่าคนอื่นจะไปยอมรับเราดีก็ได้นะแต่ก็คือดีนะอย่างมหาปทุมเราจะเห็นว่าท่านก็ทําความดีแต่ว่าขนาดพ่อยังไม่ยอมรับเลยพ่อถูกคนโกหกท่านก็ไปเชื่อแต่ท่านก็ยังเป็นความดีแล้วความดีก็คุ้มกรองท่านอยู่กอย่าไปติดใจว่าคนทุกคนต้องยอมรับก็และกันแล้วในตอนท้ทายพระเจ้าก็สรุปฉดกนะฮะตอนนี้มันก็มีคนถามสี่คนนะนั่นเองเอ่อ พระราชานั้นก็มาเกิดเป็นเทวทัานะฮะเวทวดาชาตินี้ก็เป็นชาติได้นะฮะตอนหลังก็ชาตได้พระเทวีแม่เลี้ยงเนี่ยฮะเขก็มาเป็นนางกินจามาลิกาเทวดาที่รับเนี่ยมามาเป็นพระสารีบุตรพญานาคที่มาช่วยไว้เนี่ยคือพระอนุลที่นำไปเลี้ยงไว้เนี่ยฮะแล้วก็มาวัฒนมก็มาเป็นพระพุทธเจา้านี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นลีลาชีวิตนะฮะในมาวัฒน์ ม, มชดกในทศนิบาศ วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเย่างทานี้ที่สุดนี้ขอความจรเตุนงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธารชนทั้งหลายโดยทัว ก, กันทุกท่านเธอ